อคนที่เคยมาเรียนนละ้วคนไหนจะส่งกันบ้านบ้างเอาแมวว่าไงแมวสติเกิดเร็วขึ้นไห ม, มอารมณ์ที่แรงจะเห็นง่ายและตื่นขึ้นมาเร็วพอเราฝึกไปเรื่อยจะไปอารมณ์เล็กน้อยนะสติก็จะเกิดหัดใหม่ๆอย่างเป็นต้นว่า ต้องโปรธแรงๆถึงจะเห็นพอเราฝึกไปเรื่อยๆขัดใจเล็กๆเราก็เห็นแล้วสติจะเร็วให้กิเลสเีอบเบาบางกิเลสเ บ, บาบางเนี่ยไม่ใช่เพราะเราเก่งหรอกแต่เพราะสติมันเร็วเพรสติมันเกิดกิเลสมันทำงานต่อไม่ได้มันดับที่บอกพระสกิทาคากิเลสเ บ, บาบางสติไวกว่าพระโสด า, <c oughs> าไหวแว บ, บก็เห็นก ข, ขาดกิเลสแรงๆเลยเกิดไม่ได้ เบาวิญญาว่าไางจิตตอนนี้กับตอนอยู่บ้านเหมือนกันไหมอ่าตอบถูกใช้ได้หมายอย่างนี้ถูกใจะคุณเดนในเชิญข้างหน้าเลยก็ได้จันสุพตล่ะจันสุพจน์เป็นไงอดีมูคณะเไม่เคยมา <c oughs> เคยฝึกไหมหมูคาะ <c oughs> แต่ว่าไม่รู้ว่าจะจะเข้าเข้าที่คือการปฏิบัติอดีเดี๋ยวขอไล่ตรวจกันบ้านก่อนก็แล้วกันบัมบัดเป็นไงพุทธโทช่วยได้ไหมพุทธโทพุทธโทนะเออแต่ไม่ไปตีไขยตายพุทโทไอ้นะโพงเป็นไงโพงโพงมาอยู่นี่สิดไมาหลายรอบแล้วตัว ไปซ่อนอยู่ข้างหลังก็ไม่เห็นเป็นไงเป็นไงบ้างเผลอบ่อยอ่ะเผอเผลอบ่อยดีมันต้องไม่ทันต้องตามรู้ห้ามดับรู้นะต้องตามรู้เช่นเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่าเผลอมเผลอไปตั้งนานเป็นสินาทีอโอนานไปหน่อยนะเผลอสักึ่งนาทีนะต่อไปเผลอห้าวินาที ไช้เคยฝึกเผอให้สั้นลงสั้นลงนักปฏิบัติจะเผลอบ่อยคนไม่เคยฝึกนะเผลอเวลาครั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับเผลอทีเดียวเผลอทั้งวันลิยารู้สึกไว้เหลอไปแล้วสมบัติใจลอยแล้วบัตนันุดเป็นไงนุดเออวันนี้ดีกว่าเมื่อวานตอบถูกใช้ได้เราต้องรู้ด้วยตัวเองนะธรรมะไม่ใช่เรื่อง ตัทางงมงายเลยต้องรู้ต้องเห็นด้วยตัวเองเพราะว่าวิปัสสนาเนี่ยเราต้องรู้รูปนามรู้กายรู้ใจของเราต้องรู้นะรู้ด้วยตัวเองด้วย อ, อ่านว่างไงอันเอใช่ไหมตูนเนี่ยอตูนว่างไงดีแล้วไปรู้สึกเลยได้โอยยี่อ่ะโอยอะโอยอี่โอ้แตเป็นไตรัก สติเกิดได้เร็วขึ้นไหมวันนี้เข้าที่หรือยังย้ายงานไปตูปฏตุเปไปช่วงหนึ่งตอนนี้ต้องคิดงานเยอะกนแลเ้วว่านวนนี้ไม่ได้รู้เลรู้เป็นวันวันนานไปหน่อยนะคือเราบอกงานเยอะพวกเรานักทำงานนี่ นักการเงินมือทองของธนาคารอะไนจําไม่ได้แล้วเห็นลงหนะังสือพิมพ์นะงานของเราเยอะนะแต่ ง, งานในหลวงเยอะกว่าเราหลวงพ่อเคอ่านหนะังสือเล่มหนึ่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเข้พิมพ์เป็นเรื่องของหลวงพ่อกเกษมเข ม, มโกกในหลวงเนี่ยไปเจอหลวงพ่อกเกษมแล้วไปเล่าให้ท่านฟังว่าตัวผมผมมาถึงในหลวงแล้วนะผมเนี่ยเวลาน้อยงานเยอะ ผมซอยชีวิตของผมเป็นช่วงเล็กๆมีเวลาสองนาทีสามนาทีนะดูแล้วนะงั้นเราจะไม่อ้างนะจะมาอ้างไม่ได้นะนี่หลวก็ต้องดักคอไว้ก่อนพ บ, บอกว่างานมากไม่มีเวลาทําำม่นมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งบอกคนที่ว่าคิดงานทั้งวันน่ะทํางานทั้งวันอ่ะทํำจริงๆสี่ชั่วโมงบอกว่าเวลาที่เหลือไว้ใจลอยงั้นเราอ้างไม่ได้นะ อย่างเราทํางานไปทําไปแล้วเครียดขึ้นมาเครียดรู้ว่าเครียดเราได้ปฏิบัติแล้วหรืออย่างเราเดินเข้าไปที่ทํางานไปนั่งโต๊ะเนี่ยตอนเดินเข้าไปตอนนั่งโต๊ะนีย่ยังไม่ได้ทํางานตอนนี้ต้องรู้เลยไขกุญแจเปิดคอมพิวเตอร์มันบูตเครื่องอีกยัยงไม่ได้ทํางานเราก็รู้สึกตัวไปเสร็จแล้วตั้งใจทํางานจดจ่อกับการทํางานไม่ใช่เวลาเจริญสติเวลาที่ทํางานที่ใช้ความคิดต้องคิ ด, ต, คดต้องรู้เรื่องที่คิด จิตมีธรรมชาติรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอรู้เรื่องที่คิดแล้วเนี่ยมันจะรู้กายรู้ใจไม่ได้มันจเจริญสติไม่ได้แต่พอเราทำงานไปช่วงหนึ่งเครียดรือว่าเครียดคนมาโทรศัพท์มากวนเราละโมโหรู้ว่าโมโหอย่างนี้ใช้ได้สมัยก่อนหลวงพ่อทำงานคิดมากนะอยู่สภาความมัน่นคงคิดเยอะคิดไปหลายชั่วโมงหัวหมุนเลยต้องไปห้องน้ําพะหน่อย ขยับตัวลุกขึ้นมาเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวแล้วเราคิดงานมานานเราดูจิตไม่ไหวจิตสับสนวุ่นวายดูจิตไม่ออกรู้กายไว้เห็นร่างกายนี้เดินไปห้องน้ำํำไปห้องน้ําเสร็จแล้วสบายใจมีความสบายใจก็รู้ว่าสบายใจเข้ามาดูจิตล้วตอนขาเดินกลับจากห้องน้ํานี่ดูจิตสบายลล้วเั็นเล็กๆน้อยๆ น, ย น, ย น, ยนาทีสองนาทีไม่ทิ้งนะ เก็บเก็บให้หมดเลยพวกเราเป็นชาวเมืองส่วนใหญ่เป็นนักบริหารนะเวลาน้อยมีนิดหนึ่งก็เอาถ้าเราจะรอไปทำตอนเข้าคอสเข้าวัดนะไม่ทันปีหนึ่งจะเข้าสักกี่คอสนะที่เหลือลกี่เลยเราไปกินหมดอ่ะคนถัดมา ขยันนะต้องขยันขยันดูเรื่อยๆแล้วโน่นอ่ะแมวแมวอีคนใช่ไหมวันนี้มีหลายแมวว่ามาเป็นไงเราทำหรือเปล่าปฏ <c oughs> <c oughs> ิบัติหรือเปล่า <c oughs> ทำไมหลวงพ่อแต่ก่อนหลวงพ่อก็เรียนอย่างพวกเราอย่าเงี้ยนะ <c oughs> ทํางานก็เหมือนเราทํำนี่แหละสองส า, อ ส, าอสามเดือนสามเดือนสี่เดือนอะไรเนี้ย ออกไปหาครูบาอาจารย์นะไม่เคยไปยิ้มแฉะผมยังไม่ได้ทำเลยนะตั้งแต่ไปหาหลวงปู่ดูลยี่สิบสามกุ๊พาสองห้าจริงหลวงพ่อหัดกรรมฐานได้แต่เจ็ดขวบทำแต่สมถธอยี่สิบสองปีไปหาหลวงปู่ดูลท่านสอนบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเอง พอได้ยินคำนี้เนี่ยตั้งแต่วันนั้นนะอ่านตลอดเลยตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะตื่นนอนแต่และ ว, วันความรู้สึกไม่เหมือนกันรู้ทั้งวั น, นจนถึงกลางคืนหลับไปเลยทำไม่ไม่รนละนะมีเวลาเล็กเล็ ก, ลกน้อยๆอย่าทิ้งทิงกลับเปล่าถ้าทำได้นะก็ได้ผลขยันไว้นะขยันห้ามขี้เกียจต้องจูนว่าไง ยังจงใจอยู่นะขณะจิตนี้ก็ยังจงใจอยู่ดูออกไหมถ้ารู้ทันไม่เป็นไรของคุณลนะ่ะคุณผู้หญิงเนะียที่ใส่แว่นตากิเลสเกิดแล้วรู้ได้เร็วขึ้นไหมมันรู้เองรู้สึกไหมมันรู้เองตรงที่รู้เองเนี่ยสําคัญมากอาจารย์อภิธรรมบางท่านอย่างอาจารย์สุจินบริหารแะไรนะบริหารวันนักเขตบอกอย่ยาเพิ่งรีบไปปฏิบัตินะ ฟังให้รู้เรื่องก่อนฟังเรื่องสภาวะก่อนกิเลสแต่ละตัวมันเป็นยังไงมีลักษณะยังไงมันทํางานยังไงอะไรเนี่ยฟังฟังฟังไปนี่เราจะไม่ฟังอย่างอที่ทำเรียนกันก็ได้เสียเวลานะถ้าไม่อยากเรียนสังเกตตัวเองเลยสังเกตสภาวะไปด้วยความรู้สึกของเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เหมือนกันไปสังเกตะถึงจุดหนึ่งสติจะเกิดขึ้นเองเมื่อไร่จิตจําสภาวะได้สติจะเกิด คนในต้องจับหลักให้แม่นนะสติเองก็เป็นอนาาัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้สังขารทั้งหลายเนี่ยเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุมันถึงจะเกิดอย่างโทสะเหตุของโทสะก็คือเรามีปฏิคารุษใสมีอนุใสขี้โมโหมีโทสันุษใสได้รับการกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีไม่พอใจเรากระทบอารมณ์ไม่พอใจเชื้อเดิมเราก็มี กระทบอารมณ์ไม่พอใจโทสะก็เกิดเนะี่ยห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้ถ้ามีองค์ประกอบเหล่านี้โทสะต้องเกิดถ้าเรามีราคะนุนสัยนะมีราคะพื้นฐานเดิมของเรากระทบอารมณ์ที่พอใจแล้วราคะต้องเกิด่นะยสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุแล้วไม่มีใครไปดับมันได้ด้วยเพราะถ้าเหตุดับมันถึงจะดับ แต่ถ้าสติเกิดสติเกิดเนี่มันจะมาเบียดแทรกมาแทนที่อกุศลนี่อะไรทําให้สติเกิดสติไม่ได้เกิดจากการบังคับสติก็มีเหตุแต่เหตุใกล้ให้เกิดสติก็คือการที่จิตของเราเนี่ยมันจําสภาวะได้เช่นมันจําได้ว่าเผลอเป็นยังไงพอจิตมันเผลอปั๊บนะสติจะเกิดเองระลึกขึ้นได้ว่าอ้อเผลอไปแล้วถ้ามันจําได้ว่าโทสะความโกรธเป็นยังไงพอมันโกรธปุ๊บ สติจะระลึกได้ว่าอ้อกโกรธขึ้นมาแล้วนีจะระลึกขึ้นมาเองทันทีที่สติตัวจริงเกิดขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนาไม่จงใจสติจะทําหน้าที่อารักขาอารักขาคือพุ้มครองจิตอกุศลจะดับทันทีเลยจิตจะเกิดกุศลฉับพลันโดยไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยนี่เราต้องเข้าใจนะแต่ละอันเครื่องมือที่เราใช้ในการปฏิบัตินะหลักๆมีสามตัวสติสัมมาสมาธิ แล้วก็ปัญญาสตินี่มีการจําสภาวะทำได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเพราะฉะนั้นเราต้องมาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจบ่อยๆการทําสติปัฏฐานก็คือการคอยรู้กายรู้ใจบ่อยๆรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมันจําสภาวะได้แล้วสติจะเกิดขึ้นเองนะเมื่อมีสติเกิดตัวแท้ขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตจะเป็นกุศลในฉับพลันจิตที่เป็นกุศลจะมีความสุขอยู่ในตัวเอง ใครรู้สึกตัวเป็นแมวรู้สึกไหมบางทีมีความสุขโชยขึ้นมาเฉยๆแผ่วๆขึ้นมาไม่ได้ทําอะไรเป็นความสุขที่ไม่มีอามิดเป็นสมนัติเวทนาที่ไม่มีอามิดจิตแจ่มจะมีความสุขด้วยตัวของมันเองเพราะว่าจิตมันเป็นกุศลความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเดิในในฟังให้ดีนะไม่ใช่เกิดตามยาถากรรมสมาธิไม่ได้เกิดจากการบังคับจิตให้สงบสมาธิเกิดจากความสุข ถ้าความสุกนั้นเกิดจากการมีสติรู้กายรู้ใจสมาธิที่เกิดจะเป็นสัมมาสมาธิคือมันจะมีความสุขในการได้รู้กายรู้ใจจิตก็จะตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจสติทั่วๆไปก็จะรู้อารมณ์สาทารณะกุศลทั่วๆไปสัมมาสติจะระลึกรู้กายรู้ใจคือรู้รูปนามสัมมาสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตในการรู้รูปนาม สมาธิอย่างอื่นก็ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์อย่างอื่นแต่ว่าตั้งไม่ใช่ตั้งแข็งแข็งนะจิตใจต้องอ่อนต้องเบานุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อถ้าเมื่อไรหนักแน่นแข็งซึมทื่อนะอกุศลรจิตจิตที่เป็นกุศลจะเบามีมุตระุตานะอ่อนโยนมีมุตุตาคล่องแคล่วว่องไวอนี้เรียกวากุญตา มีความพื่อตรงในการรู้ไม่เข้าไปแทบแสงเนี่ยอุชุกตาไม่ถูกกิเลสครอบงำนะเรียกกรรมัญญาตาควรแก่การงานนะนักปฏิบัติเนี่ยจะมีจิตที่เป็นอกุศลเยอะอยากปฏิบัติเพอยากปฏิบัติเนี่ยจิตไม่ควรแก่การงานนะจิตถูกความอยากครอบงําจิตจะหนักจะแน่นจะแข็งจะซึมจะทื่อๆ อ, อ, อยู่นี่ลักษณะของอกุศลและจิตส่วนจิตที่มีสติ ที่มันเกิดเองโดยเราไม่ได้ตั้งใจให้เกิด mm hmm. เช่นเรากําลังใจลอยอยูนะ่มันเคยรู้จักว่าใจลอยเป็นไงสติจะเกิดเองเระลึกได้ว่าอ้อใจลอยไปแล้วจิตนะจะตื่นขึ้นมามีความสุขอยู่ในตัวเองเลยนะใจลอยนั้นดับทันทีเกิดความรู้สึกตัวขึ้นแทนที่ทันทีเลยจิตจะอยู่กับเนื้อกับตัวสำมาสมาธิพูดง่ายๆก็คือจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวนะมันไม่ลืมเนื้อลืมตัวแต่จิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วสำมาสมาธิ เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาไม่ใช่ความฉลาดรอบรู้อะไรทั้งสิ้นนะปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามกายใจนี้พอจิตใจเราอยู่กับเนื้อตัวเราก็จะรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นนี่เป็นการทำสติปัฏฐานในสเต็ปที่สองสติปัฏฐานนี้มีสองขั้นตอนในพระสูตรก็สอนสติปัฏฐานทาไปเพื่อความมีสติ แลเพื่อความสมบูรณ์แห่งยานทัศนะเพื่อความมีสติก็คือตามรู้หัดตามรู้ไปจกนกระทั่งจิตมารู้จักสภาวะสติจะเกิดขึ้นเองพอสติเกิดปุ๊บจิตใจอยู่กับเนื้อตัวคราวนี้มันจะเห็นกายอย่างที่มันเป็นเห็นใจอย่างที่มันเป็นนี่คือการเจริญปัญญาเรียกว่าการเจริญบุปผาธรรมะมรรคเบื้องต้นมีสติรู้กายมีสติรู้ใจ การปฏิบัติใดๆถ้าคลาดเคลื่อนจากการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะก็เรียกว่าคลาดเคลื่อนจากทางสายกลางทางสายกลางก็คือการที่เรารู้สึกตัวขึ้นมารู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไม่เผลอไปไม่บังคับกายไม่บังคับใจนีชาพูดแล้นะบังคับกายบังคับ ใ, บบใจนะรู้อย่างที่เขาเป็นเมื่อรู้อย่างที่เขาเป็นนานไปนานไปในที่สุดก็เกิดความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจความเข้าใจนี่ละคือตัวปัญญา เข้าใจว่ายัางไงเข้าใจว่ากายนี้จริงๆเป็นตัวทุกข์กายนี้จริงๆไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนี่ความเป็นจริงก็คลายความยึดถือในกายเข้าใจความเป็นจริงของจิตพราจิตนี้ไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวไปเกิดทางใจเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอย่าไปสําคัญว่าจิตมีดวงเดียวแล้ววิ่งไปวิ่งกลับนะเป็นไง จิตนั้นมันเกิดทางตาแนละ้วพอเรารู้ตัวว่ามันไปทางตานะ้จิตที่ไปทางตามันดับนะแล้วในขณะนั้นไม่ได้ดูรูปนะแล้วในขณะนั้นรู้ทันจิตในหะ้มันเกิดดับสลับกนะันเนี่ยเราจะเห็นความจริงจิตที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเห็นไปเรื่อยๆในทะี่สุดก็เข้าใจความจริงอีกบังคับไม่ได้ด้วยจะสั่งให้ฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องฟังไปคิดไปคุณจะในดูออกไหมฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวคิดเยอกว่าฟังดูออกไหม ก็ธรรมดาเป็นอย่างนั้นถ้าฟังแล้วไม่คิดจะไม่รู้เรื่องแต่ถ้าคนทั่วไปก็จะฟังไปคิดไปแล้วรู้เรื่องที่คิดรู้เรื่องที่ฟังรู้เรื่องที่คิดนักปฏิบัติเหรอฟังไปคิดไปเหมือนกันแต่รู้จิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้จะไม่รู้เรื่องที่คิดหรอกแต่จะรู้ถึงสภาวะรู้ว่าจิตไม่เกิดดับเกิดทางตาเกิดทางหูเกิดทางใจคนละแบบกันนะปัญญาคนละชนิดกัน ปัญญาอย่างโลกโลก็ฟังรู้เรื่องคิดรู้เรื่องปัญญาทางวิปัสสนาก็คือจิตเกิดขึ้นทางตาแล้วก็ดับเกิดตั้งหูแล้วก็ดับจิตไปคิดแล้วก็ดับมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับวันหนึ่งก็จะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่เกิดเกิดดับดับถ้าคนไหนเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะวันนั้นจะได้พระโสดาบันพระโสดาบันคือคนที่ละความเห็นผิดว่าพันห้าเป็นตัวเราละสะกักกายทิฏฐิได้ กายยทิฏฐิคือเห็นขันห้าเป็นตัวเราเพราะพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราคนนอกศาสนาพุทธก็เห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เราเพราะว่าเห็นน่ะคนนู้นตายคนนี้ตายนะอายุเท่านั้นตายเท่านี้ตายเห็นอยู่แล้วหน้าของเราเองตอนนี้กับหน้าของเราตอนเด็กๆ ก, ก็ไม่เหมือนกันมันเห็นอยู่รูปนี้ไม่ใช่ตัวเรารูปนี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเห็นง่าย แต่ท่านสอนบอกว่าดูก่อนอีกสูตทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยไม่สามารถเห็นได้เลยว่าจิตไม่ใช่เราเพราะจิตเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วมากเลยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนพวกเราจะเห็นว่ามันมันเกิดดับเร็วจนเราเมองไม่ออกเราจะคิดว่าจิตนี้เที่ยงจิตมีดวงเดียวจิตใจของเราตอนนี้กับจิตใจของเราตอนเด็กๆ ก, ก็คนเดียวกันดวงเดิมนะ ร่างกายนี้ตายไปก็ไอ้จิตดวงเดิมนี้แหละออกจากร่างไปเกิดอีกเนี่ยมิจฉาทิฏฐิล้วนๆเลยมันไม่ใช่ไม่ใช่การเวียนว่ายตายเกิดแบบพุทธนะนนจิตเป็นอัตตาเป็นอัตมันแต่ถ้าหากมีสติเห็นเลยจิตเกิดขึ้นทางตาไปรู้อารมณ์ทางตาแล้วก็ดับไปรู้อารมณ์ทางหูแล้วก็ดับแวบมาดูมาคิดทางใจอีกแล้วเนี่ยว ก, ก็เลิกคิดดับไปอีกเข้ารู้เห็นแต่เกิดดับเกิดดับ ถึงวันหนึ่งปัญญาแจ้งจิตไม่ได้มีดวงเดียวแต่จิตเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลนะเดี๋ยวเป็นจิตที่เกิดทางตาเป็นจิตที่เกิดทางหูเป็นจิตที่เกิดทางใจไปทางไปในโลกของความคิดคุณต่ในเข้าใจไหมหนีไปละหดูออกไหมนะนี่หัดอย่างนี้นะหัดรู้หัดรู้สภาวะ ในที่สุดพอจิตมันจําสภาวะได้ว่าไหลวิคิดเป็นอย่างนี้นะพอมันไหลไปคิดปุ๊บจะดีดฐางให้มันตื่นขึ้นมาฉับพลันนะจะตื่นสว่างขึ้นมาสว่างเองเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดทันทีที่เราหลุดออกจากโลกของความคิดเนี่ยถ้าสติระลึรู้กายจะเห็นทันทีกายไม่ใช่ตัวเราถ้าสติเราลึกรู้จิตเยจะเห็นทันทีว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเพราะความเป็นเราเกิดจากความคิด เมื่อไรรู้สึกตัวหลุดออกจากความคิดกายกใจขันท้าจะไม่ใช่ตัวเรางรานเราต้องหลุดออกจากความคิดให้ได้รู้สึกตัวให้ได้ตื่นขึ้นมาให้ได้อย่าไปหลงอยู่ในโลกของความคิดถ้าหลงอยู่ในโลกของความคิดแล้วความเป็นตัวตนก็จะเกิดขึ้นถ้าหลุดออกมาตื่นขึ้นมาความเป็นตัวตนจะมีไม่ได้หลงไปคิดแล้วทราบไหมแล้วม <c oughs> ันจะตื่นแต่การตื่นแล้วตื่นได้ชั่วขณะนะเพราะอะไรมันไม่เที่ยง เห็นไหมกระทั่งจิตที่รู้ตัวตื่นจิตที่ดีที่วิเศษดวงเนี้ยเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับนี่คนทั่วๆไปมีเห็นจิตเที่ยงมีดวงเดียวแหละเที่ยงของเราฝึกปฏิบัติไปเราจะเห็นเลยจิตที่หลงมันก็ดวงหนึ่งจิตที่เผลอไปคิดอันดวงหนึ่งจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปคิดนี่อีกดวงหนึ่งดวงนี้ตื่นได้มาละเนี่คนละดวงกันเห็นนะมจิตเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับแล้วบังคับไม่ได้ด้วย คุณในลองสังเกตดูสิเราจะฟังหรือเราจะคิดเราไม่ได้เลือกเองรู้สึกไหม <S 2> <S 2> <ๆ>เราจะดูอย่างดูหน้าอาตมาหรือฟังอาตมาพูดหรือจะไปคิดเนี่ยคุณตาในไม่ได้เลือกรู้สึกไหมมันเลือกของมันได้เองทําไมมันจะไปทางตาไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเราเลือกไม่ได้มีจิตดวงหนึ่งเป็นคนเลือกเรียกว่าปัญจทวารวัชนะจิตเป็นคนเลือกไม่ใช่เราไปเลือกมันได้นะจิตดวงนี้เป็นคนเลือกเอง เลือกทางใจล่ะจิตจะเป็นกูศนหรืออกูศนจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วอะไรเนี่ยเราเลือกไม่ได้มีจิตอีกดวงหนึ่งเป็นคนเลือกเรียกว่ามโนทวารวัชนะจิตเป็นคนเลือกเงั้นไม่ใช่ว่าเราสั่งได้จะเห็นในเฝ้ารู้เฝ้าดูนะมันจะไปทางตาก็ห้ามไม่ได้นะจะให้ฟังอย่างเดียวไม่ให้คิดก็ห้ามไม่ได้จะให้คิดอย่างเดียวไม่ให้ย้อนขึ้นมาฟังก็ห้ามไม่ได้มีแต่เรื่องห้ามไม่ได้จะให้สุขอย่างเดียวก็ไม่ได้จะห้ามไม่ให้ทุกข์ก็ไม่ได้ ถ้รารู้ไปเห็นแต่คําว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนะเนี่ยมันปฏิเสธว่าเป็นตัวตนอยู่ในตัวเองแล้วถึงวันหนึ่งใจมันยอมรับความจริงมันจะแจ้งขึ้นมาเลยโอ้จิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้สักกายที่ทีจะขาดตรงนั้นเลยร่างกายนี้ง่ายอยู่แล้วที่จะเห็นว่าไม่ใช่เราแค่จิตรู้สึกตัวขึ้นมากายก็ไม่ใช่เราแล้วแต่จิตเนี้ต้องเห็นมันเกิดดับเกิดดับไปด้วย เคยได้ยินชื่อหลวงพ่อเทียนไหหลวงพ่อเทียนเทียนสอนดีนะหลวงพ่อเทียนบอกว่าถ้าเมื่อไรรู้ว่าจิตชิดนะเนี่ยได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตไปคิดนะคนละอันรู้เรื่องที่จิตไปคิดนี่ไม่มีสาระอะไรเลยฟนะุ้งซ่านเฉยๆใครๆก็รู้หมามันก็รู้นะหมามันคิดคิดมันก็รู้เรื่องที่มันคิดเหมือนกันไม่เก่งกว่ากันหรอกแต่ถ้าเราใจเราแอบไปคิดปุ๊บเรารู้ทันเลยมันหนีไปคิดล้ว ใจเราไปฟังปุบรู้ว่าไปฟังใจไปคิดปุบรู้ว่าไปคิดนะเราจะตื่นขึ้นมาเลยการตื่นนี่แหละเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นตื่นขึ้นมาจิตใจจะชุ่มชื่นเบิกบานมีความสุขเพราะว่ามีสติจิตใจจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจจะสามารถเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงมีปัญญาเราจะเข้าใจความเป็นจริงเป็นลําดับลําดับไปเบื้องต้นก็จะเห็นเลยกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเราหรอก พอเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยได้พระโสดาบันเฝ้ารู้เฝ้าดูต่อไปอีกเราเห็นวนะ่าเออลำพังใจของเราเฉยๆนะไม่ทุกข์หรอกถ้าใจวิ่งไปอยากมีความอยากเกิดขึ้นวิ่งไปยึดอารมณ์เนี่ยใจจะทุกข์นะถ้าจิตใจแจ่มแจ้งตรงนี้จิตใจจะไม่ไม่มีความพยานอยากได้อารมณ์ทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วนะจะไม่พอใจอารมณ์ที่เป็นการมาคุณอารมณ์ จิตมันจะตั้งมั่นไม่วิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยหวังที่จะไปเสพอารมณ์ตรงนี้คือภูมิของป้านาคามียังไม่สิ้นสุดทางนะแค่เรายังไม่ได้เห็นธรรมะตรงที่พระพุทธเจ้าสอนท่านบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์เราเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างร่างกายนี่ทุกข์บ้างสุขบ้างไม่ได้เห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์จิตล่ะเราก็เห็นว่าถ้าจิตไปยึดอารมณ์จิตถึงจะทุกข์ ถ้าจิตไม่มีความอยากจิตไม่มีความยึดจิตไม่ทุกจะรู้สึกอย่างนี้นะนักปฏิบัติตรงนี้ยังยังไม่เต็มที่นะปัญญาอย่างไม่เต็มที่นี่เป็นปัญญาขั้นกลางๆลาเทนะ่านั้นปัญญาขั้นต้นเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราปัญญาขั้นกลางๆงเนี่ยเห็นว่าถ้าจิตใจไปอยากไปยึดจิตยุตุกไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกจิตใจในการปฏิบัติในปัญญาขั้นสูงขึ้นไปอีกจะเห็นว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุก จะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดตัวมันเป็นตัวทุกข์อย่างนี้เห็นนะอย่างนี้นะตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอริยสัจนะคนที่แจ้งอริยสัจได้คือพระอราหันต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นปัญญาก็มีหลายระดับนะเป็นขั้นขั้นขั้นไปนความเข้าใจธรรมะของเราเราฟังขั้นขั้นฟังคราวหนึ่งฟังครั้งหนึ่งหรือไปอ่านหนังสือเที่ยวนึงเข้าใจได้แค่นี้อ่านซ้ําฟังซ้ํามันลึกลงไปอีกลึกลงไปเหมือนมหาสมุทรลึกซึ้ง วันใดเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์มันนั่เนี่ยมันจะสลัดคืนกายกับใจคืนให้โลกไปเรียกว่าปล่อยวางความพ้นทุกข์จริงๆอยู่ตรงที่เราสามารถปล่อยวางกายปล่อยวางใจไปได้เพราะมีปัญญา mm. เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์พระพุทธเจ้าสอนตรงนี้สอนว่าขันห้าเป็นทุกข์ไม่ได้สอนนะบอกว่าร่างกายตอนแข็งแรงก็เป็นตัวดี ตอนเจ็บป่วยหรือจะเป็นตัวทุกข์นี่ท่านไม่ได้สอนอย่างนี้ท่านไม่ได้สอนนะว่าจิตเนี่ยถ้าโดยตัวของมันเองเป็นสุขถ้าไปอยากไปยึดถึงจะทุกข์นี่ท่านไม่ได้พูดอย่างนี้นะท่านสอนแต่ ว, ว่าตัวขันเป็นตัวทุกข์ตัวจิตก็เป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ตัวหนึ่งงนั้นความรู้ความเข้าใจในธรรมะนะลึกซึ้งค่อยเรียนไปเป็นลําดับลําดับความรู้ทั้งหมดที่หลวงพ่อมาเล่าให้ฟังนี่นะมันเริ่มต้นจากจุดเล็กนิดเดียว จิตใจของเราขนานี้เป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปวันหนึ่งความรู้ความเข้าใจทั้งหมดเนี้จะเกิดขึ้นด้วยตัวเองใครๆก็สอนธรรมะมเราไม่ได้นะหลวงพ่อก็สอนธรรมะพวกเราไม่ได้ขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าท่านเป็นแค่คนบอกทางเป็นแค่ผู้บอกทางนั้นธรรมะเป็นของที่เอาไปแจกกันไม่ได้ที่บอกธรรมทานธรรมทานนั้นบอกทางปฏิบัติกันได้ แต่เสร็จแล้วผู้ปฏิบัติต้องทําเองทางปฏิบัติก็คือให้รู้ทุกนะทุกคือกายกับใจคือรูปกับ น, นามให้รู้ทุกเหมือ น, นหน้าที่ของเรารู้กายรู้ใจเรื่อยๆอย่าทิ้งการรู้กายรู้ใจอาจารย์มหาบัวเคยสอนหลวงพ่อการปฏิบัติไม่มีอะไรมากมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันนี้เองสที่เดียวจบตั้งแต่ต้นจนจบเลยมีเท่านี้งั้นหัดรู้ไป รู้ไปเรื่อยๆความเข้าใจก็จะพัฒนาเป็นลําดับนะคือปัญญาจะพัฒนาเป็นลําดับปัญญาเบื้องต้นเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราปัญญาเบื้องกลางเห็นว่าถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ถ้ายึดถ้าอยากถ้ายึดถึงจะทุกข์ปัญญาเบื้องสูงเห็นว่าขันห้านั่นแหละตัวทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะปล่อยขันห้าเมื่อปล่อยขันห้าแล้วจิตเป็นยังไงจิตจะคลาดออกจากขันนะเหมือนแยกออกจากขัน ขันอยู่ส่วนขันโลกอยู่ส่วนโรนะคนทั้งโลกมันกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันหมดนะนะกายนี้ใจนี้กับกายนี้ใจนี้มีสภาวะเสมอภาคกันหมดความไม่รู้เนี่ยทำให้เราไปแบ่งเอารูปนามกายใจบางส่วนของโลกมาเรียกว่าตัวเราขึ้นมาไปแบ่งออกมามีตัวเรานั้นก็มีตัวเขาขึ้นมาลักตัวนี้อยากให้ตัวนี้มีความสุขอยากให้ตัวนี้พ้นทุกข์ก็ดิ้นรนสามแบบ ดิ้นรนฝ่ายชั่วดิ้นรนฝ่ายดีดิ้นรนที่จะหลีกเลี่ยงการรู้อรรถที่เมื่อเช้าเราให้ฟังคืออภิสังขารสามอย่างลูกแต่งที่เป็นกุศลที่อังกุศลลูงแต่งอเนินชาดิ้นไปเรื่อยหวังว่าจะมีความสุขสัตว์ทั้งหลายก็รู้แต่ว่าถ้าได้กินอะไรอร่อยอร่อยได้กินอิ่มอิ่มแล้มีความสุขนี่อย่างโลกโลกเลยนักปฏิบัติก็คิดว่าถ้าเราควบคุมจิตใจของเราไว้ได้ดีแล้วจะมีความสุข อีกพวกหนึ่งแค่คิดว่าถ้าปัดความรับรู้อารมณ์ภายนอกได้เลยจะมีความสุขภูมิปัญญาไปได้แค่นี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หาความสุขแต่สอนให้เห็นความจริงมาเฝ้ารู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้แจองที่เขาเป็นวันหนึ่งรู้ความจริงมันไม่ใช่ตัวสุขมันเป็นตัวทุกข์อย่างพวกเราปฏิบัติกันแทบเป็นแทบตายแล้วเราอยากให้จิตของเราดีถาวรมีสุขถาวร น, นี่เราอยากกันตรงนี้จิตเป็นของไม่เที่ยงเราอยากให้มันถาวร จิตเป็นตัวทุกข์เราอยากให้มันสุขจิตไม่ใช่ตัวเราอยากบังคับมันให้ได้คิดแต่เรื่องอย่างนี้คิดแต่เรื่องที่ฝืนธรรมะเราต้องเรียนไปจนกระทั่ทงใจเรายอมจำนวนกับข้อเท็จจริงยอมอ่อนน้อมต่อธรรมะรู้เลย<ม>กระทั่งกระทั่งจิตที่ว่าดีวิเศษของเราเนี่ยหวงแหนที่สุดเนี่ยจริงๆเป็นของไม่เที่ยงหรอกจริงๆเป็นทุกข์นะจริงๆบังคับไม่ได้ เนี่ยยอมรับธรรมะตรงนี้ใจก็เข้าถึงธรรมะธรรมะสอนเราตลอดนะขันห้าร่างกายจิตใจเนี่ยแสดงความแปรปรวนให้ดูแสดงทุกข์ให้ดูแสดงการบังคับไม่ได้นะให้ดูตลอดเวลาเราไม่ยอมดูเราอยากบังคับให้ได้อยากดีให้ได้อยากสุขให้ได้เ้วได้นิดนิดหน่อยไม่ไม่ไม่พอนะอยากได้ถาวรด้วยมนะฝืนธรรมชาติมากเลยพอรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะ เพราะว่ารู้ด้วยการฟังก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่หรอกมีสติรู้สึกตัวไว้หลวงพ่อพูดภาพรวมให้ฟังเพราะว่าเราวันหนึ่งข้างหน้าเราจะเดินไปตามลําดับลําดับมันจะเห็นไปตามลําดับเนี่ยอย่าออกนอกรู้นอกทางนอกรู้นอกทางเช่นคิดว่าทําใจให้นิ่งๆแล้วจะเกิดปัญญาคนละเรื่องกันนะทําใจให้นิ่งๆไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาทําใจนิ่งๆได้แต่ความสุขความสงบ ถามแล้วควรทำไมสมถะมีประโยชน์มีประโยชน์ชนแล้วก็จำเป็นสำหรับคนที่จะรู้กายมีประโยชน์แต่ไม่ถึงขั้นจำเป็นสำหรับคนดูจิตใช่มมันแยกแยกกันหมดนะธรรมะนคนไหนคิดมากดูจิตไปคนไหนโลภมากทาความสงบมาแล้วรู้ร่างกายไปเห็นรู้กายรู้ยังไงรู้กายไม่ใช่เพ่งกายไม่ใช่คิดเรื่องกายไม่ใช่ใจลอยไปที่อื่น รู้กายก็คือทิศสูตทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวกายของเธออยู่ในการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในการอย่างนั้นนี่รู้กายอย่างพระพุทธเจ้านะพอมารุ่นหลังๆเราอาจารย์แต่ละท่านท่านก็พัฒนาอุบายขึ้นมาแท็ติกลูกศิษย์จะไปติดอุบายจะลืมหลักหลักที่พระพุทธเจ้าสอนคือให้รู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นเริ่มเกียงกันแล้วว่าขยับมือดีหรือว่าดูท้องฟองยุบดีเริ่มเกียงครเกียงแบบคนไม่รู้เรื่องนะ ไม่คืออุบายเท่านั้นอุบายก็เหมาะกับคนที่จารณินิสัยต่างๆกันใครใช้อุบายอะไรแล้วสติเกิดบ่อยก็ใช้อันนั้นอะไรก็ได้เป็นประเด็นรองนะประเด็นหลักก็คือสติจะเกิดไหมจิตจะตั้งมั่นไหมจะเกิดปัญญารู้กายรู้ใจตรงความเป็นจริงไหมที่สําคัญอยู่ตรงนี้เอเมนไหมที่นี่มีหลายสํานักอนาะจารย์สุพจน์สารพัดเลย มาหลายสำนักนะจุไม่ค่อยเหมือนวัดอื่นนะวัดอื่นนะสำนักเดียวแต่ยังดีนะไม่มีใครมาทะเลาะ ก, กันคือถ้าเราเอาคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นหลักไม่ใช่เชื่ออาจารย์เป็นหลักเอาธรรมะเป็นหลักไม่ใช่เชื่อความเห็นของตัวเงเป็นหลักนะไม่ทะเลาะ ก, กันอ้อเป็นไงบ้างดีดีดอ้อดีขึ้นเยอะแล้ว รู้สึกไหมใจมันตื่นขึ้นมารู้ยังว่าตื่นเป็นไงอะไรนะดังๆหน่อย ใช่ใช่นะอยู่ที่ความใส่ใจของเราใช่ไหมมีความสนใจที่จะรู้คือตัวฉันทาเราใส่ใจเราสนใจนะวิริยะก็เกิดขึ้นมาถ้าเราไม่สนใจนะก็ไม่มีวิริยะอย่างหลวงพ่อหัดปฏิบัตินะหลวงพ่อได้ยินครูบาอาจารย์สอนสมถนะนี่ยตั้งแต่เจ็ดขวบทำรรมาตั้งแต่ปีศูนย์สองทำมาเรื่อยจนปีสองห้ายี่สิบสองปียี่สบามปีทำ พอไม่ได้ยินหลวงปู่ดูลบอกว่าให้ดูจิตตัวเองรู้สึกน่าสนใจะทําไมเรารู้เรื่องอื่นๆเยอะนะปริญญาอะไรก็ไปเรียนได้หลายใบทําไมเราไม่เคยรู้เรื่องจิตตัวเองพอรู้สึกว่าการเรียนรู้จิตตัวเองเป็นเรื่องน่าสนใจเนยฉันถ้ามันเกิดแล้ะมันจะขยันดูไม่มีใครบังคับนะไม่ใช่ว่าจะมารีบปฏิบัติระหว่างนั่งรถมาหาหลวงพ่อเะไรยหลายคนทําแบบนั้นน่าเกลียดนะ เห็นหน้าก็รู้นะใครมาซ้อมประจำหรือใครมาซ้อมหน้าวัดเนี่ย <c oughs> พอเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจการดูกายดูใจเราหน่าสนใจหลวงพ่อสนใจการดูจิตจริตมันชอบดูจิตเนี่ยบางท่านดูกายท่านชอบท่านก็ดูได้ทั้งวันวิริยะมันเกิดขยันดูหลวงพ่อเห็นว่าการดูจิตมันน่าดูน่าเรียนน่ารู้ทําไมเราไม่เคยรู้รู้สึกน่าเรียนรู้แต่ละวันทําไมไม่เหมือนกันสักวันแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกัน รู้สึกน่าสนใจนี่ฉันทะจะขยันดูจิตตาก็เกิดนะั้ะขยันดูจิตใจคอยจดจอ่อไม่ค่อยวุ่นวายไปเรื่องอื่นหรอกนะแทนที่จะวันวันจะไปคิดเรื่องอื่นนะคอยมาสังเกต จ, จิตลูกเดียวเลยนะแม่เวลาที่เหลือไปคิดสเปสสตะนอกรูกนอกทางเสียเวลานะพราเราสนใจซะแล้วสนใจดูจิตตนะ์อะไรเกิดขึ้นนะมันจะค้นคว้ามันจะใครตรวนอยูนะ่ในเรื่องจิตเรื่องใจนี่ตัววิมังสา อิทิบาตสี่นะี่แหะคือตัวทําให้สําเร็จเราจะประสบความสําเร็จงั้นต้องมีฉันทะไม่ใช่ดูเพราะว่าอาจารย์สั่งให้ดูไม่ใช่ดูเพราะเป็นแฟชั่นนะมีคนมาบอกว่าเดี๋วนี้วงการไฮโซชอบปฏิบัติก็เป็นแฟชั่นนะอย่างงั้นก็ได้แต่แฟชั่นอะไรส่วนธรรมะของจริงโอ้สําคัญนะใครเข้าถึงแล้วก็จะรู้เลยชีวิตนี้ถึงตายก็ไม่เสียดายละ ใครภาวนาเป็นนะย้อนกลับไปดูตัวเองในอดีตนะจะสยองเลยมันเหมือนคนตาบอดหลงทางอยู่ก้นเหยวคลำขึ้นมาได้ยังไงยากแสนยากนะถ้าไม่มีธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกให้ขึ้นมาไม่ได้หรอกงั้นต้องฟังนะอย่าฟังความคิดความเห็นอะไรที่อัตโนมัติต้องคนไปแต่งตำราแต่งหนังสือคิดเอาเองหรือสังหรณ์ใจระลึกร ะ, ะลึกเอาเองเขียนๆออกมา บางอ่านก็ตรงบางอันก็เพี้ยนต้องระมัดระวังนะอ่านหนังสือธรรมะอะไรก็ตามประเพง่งอ่านเงไม่ได้อนะต้องระวังว่าง่ายว่าง่ายง่ายง่ายเหรอสมาสมาธิสั้นคือสมาธิสธั้นนะเพราะว่าจริงๆก็คือเขาไม่สนใจเรื่องที่เขาต้องสนใจนั่นแหละ ถ้าใจมันไม่สนใจแนละ้วยังไงก็สั้นถ้าเขาชอบนะเขาไม่สั้นหรอกมันก็สั้นเป็นเรื่องเรื่องเราจะไปบังคับให้ต้องสนใจไม่ได้อย่างเด็กบางคนนะ้ก็ฉลาดมากเก่งต้องไปเรียนหลักสูตรนะที่มันไม่ฉลาดอนะ่ะมันก็เบื่อสินะ บางทีอาตมาก็ไม่โทษเด็กนะบางทีมันก็น่าเบื่ออย่างตอนเรียนแมวจนได้ไหมสมัยเรียนม5นะเรียนวิชาอะไรเขาเยอะแยะหมดเลยเนี่ยเราไม่ได้ใช้อะเยอะเยอะมันไม่สนใจอ้างว่าไงวิริยา สิ่งนี้สภาวะของความเป็นกลางเนี่ยมีหลายกลางนะกลางทัศสมถะอันนี้เพ่งเอาไว้ถ้าเคลื่อนออกไปก็ไม่เป็นกลางนะนะแต่กลางด้วยปัญญานี่ไม่ใช่กลางด้วยปัญญานะเรียกว่าสังขารุเบกขายานยานคือปัญญาจนะมียานที่เป็นกลางต่อความปรุงแต่งอย่างเช่นเราหัดดูจิตใจของเราไปเรื่อยๆจิตใจมันเป็นทุกข์รู้ว่ามันทุกข์นะแล้วก็เห็นไอ้ทุกข์มันอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไป ต่อมาความสุขใหม่ก็เห็นอีกความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปเฝ้ารู้เฝ้าดูเนืองเนืองเดี๋ยวเป็นกุศลก็ไปอกุศลมาแล้วก็ไปวันนึงปัญญามันแจ้งว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งสิ้นเวลาความสุขผ่านเข้ามาใจก็เป็นกลางไม่หลงยินดีความทุกข์ผ่านเข้ามาใจก็เป็นกลางไม่หลงยินร้ายเพราะมีปัญญารู้ว่ามันอยู่ชั่วคราวรู้มันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นกลางเพราะปัญญา เป็นกลางอันนี้แหละใกล้ต่อการบรรลุมรรคผลส่วนกลางเพาการเพ่งให้นิ่งๆไว้ได้ความสงบโวล่ากันเพราะฉะนั้นกลางก็มีหลายกลางนะถ้าในโลกนะใครบอกเป็นกลางแสดงไม่เป็นหรอกแต่ทางจิตมันมีแมนว่างไงแม น, เ, นเหรอ โลกปู่ ม, มั่นสอนนะระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยเราชับทำจิตให้เฉยนะระวังแล้วแมนยังเวลาไปดูจิตเนี่ยแมนยังสลาลงไปดูไหมหรือสักว่าดูมันเกิดจากจงใจดูแมนนะจงใจไปดูเนี่ยไม่ใช่การเจริญจิตตานุปัสนนะแต่เป็นการเข้าไปเพ่งจิต ปรจงใจไปดูมย่าเพ่งจิตมันจะค่อยลึกๆๆ ล, ลงไปบ้างหรือว่านิ่งว่างหายไปหมดว่างแล้วไปอยู่กับว่างๆบ้างจะเขา้ารูปไปแต่ถ้าสติเกิดขึ้นเองเช่นกิเลสเกิดแล้วแมรม ล, ลึกมันรู้ขึ้นเองอ่ะว่าโทตะเกิดแล้วอย่างเงี้ยตรงเนี้ยแล้วมันจะว่างขึ้นหมไอ้ตัวนี้ใช้ได้ไม่สติเกิดเองไม่ได้จงใจไปดูถ้าคิดจะจงใจไปดูมันจะทื่อๆใจจะทื่อๆ อ, อ, อยู่เรื่อยเป็นการตรับยรัพองเอาไว้ แม่รู้สึกไหมว่าเราอย่าประคองต้องใจเด็ดๆนะอย่าไปประคองมันมันไม่ใช่ตัวดีมันเป็นตัวทุกข์ไม่ต้องไปประคองมันอานะจารย์สุพจน์อาจารย์สุพจน์เป็นไ ง, งนไเรื่อยๆเรืเร่อยๆเป็นไงเที่ยงหรือไม่เที่ยงนั่งแวบๆดีถ้าทั้งวันเลยแ่มมีความตู <laughs> ่อาการหนักแนละ้วหกว่างไง วัเ น, นี้ผู้หญิงเนี่ ย, ยเผนะอนานไม่ดีนะเผอสั้นๆเอ่อเห็นไหมถ้าถ้าไม่เผ อ, อไปก็เริ่มบังคับมันแล้วเนี่ยจิตมันจะสุดโ ต, ต่งองอันทางสกลางจุดที่เป็นาสาเหตการจริงๆเล็กนิดเดียว เราที่เผลอไปพอเผลอรู้ว่าเผลอปุ๊บตรงนี้เป็นทางใส่กลางมีเล็กนิดเดียวอย่างเราเผลอๆ อ, อยู่พอรู้ว่าเผลอปุ๊บใจจะโลง่งขึ้นมาชั่วแว บ, บหนึ่งคนส่วนใหญ่ดูไม่ทันถ้าไม่เคยฝึกไม่เคยหัดรู้หัดดูถัดจากนั้นอกุศลตัวใหม่จะเกิดเช่นฟุ้งซ่านจะคิดด่าตัวเองว่าแหมเผลอมาตั้งนานเนี่ยอันนี้เผลอครั้งใหม่แะหรือเป็นห่วงอนาคตกลัวจะเผลออีกก็เลยเพ่งเอาไว้ ใ, ใจก็จะสุดโต่งสองข้างไม่เสือก็เพ่ง ใ, ใจของเราคุ้นเคยที่จะไปทางสุดโต่งใจของเราไม่คุ้นเคยที่จะเดินในทางสายกลางนั้นทางสายกลางนี้ทำไมไม่คุ้นเคยนานๆจะเกิดพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาสอนทางสายกลางง่ายพงใจลอยแล้วรู้ไหม ไม่คิดเรื่องอะไรไม่เป็นไรรู้ไหมไปคิดอ๋ออยากถามรู้ไหมว่าอยากรู้สึกไหมใจเรากระสับกระส่ายตอนเนี้ยมันตื่นเต้นดูออกไหมเอออถามได้เวที่ยวเรียนของเป็นมีโรานานง ง, ง, าางานในเมืองไว้ทำงานจริงๆงานพามาให้ทำงา น, างานก็ทํางานไปก็เวลาทํางานมันต้องเพ่ง ให้ง า, งานให้มันให้มาราอะรพนเอเ อ, อถูกแล้วอ่ะที่หลวงพ่อบอกแล้วไงเวลาเราเรียนเวลาเราทํางานที่ต้องคิดนะไม่ใช่เวลาเจริญสติแต่เคยไหมลูกค้าคนนี้จูจ้จี้เราไม่ชอบไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนี่เรียกว่าปฏิบัตินะแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องมารู้กายทั้งวันรู้ใจทั้งวันนะเวลาที่เรียนหนังสือเวลาทํางานต้องจดจ่อกับงานรู้กายรู้ใจไม่ได้ จิตมีธรรมชาติรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นพงเมื่อพงไปรู้เรื่องที่เราคิดไปรู้งานที่เราทําอยู่เราก็รู้กาย ร, รู้ใจไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาใครก็ทําไม่ได้นะหลวงพ่อก็ทําไม่ไดนะ้ให้หลวงพ่อไปนั่งคิดเขียนซอฟต์แวร์อะไรสักตัวแล้วก็รู้สึกตัวทุกครั้งที่นิ้วสัมผัสคีย์บอร์ดอย่างนี้ <c oughs> ไงที่ตุ๋มเป็นไง เมเิเยเหมือนเพิ่มก็ได้ลดก็ได้ได้ต้องหายคืออย่างนี้อนุใสเนี่ยมันคล้ายๆหัวเผือกหัวมันอะไรที่อยู่ใต้ดินถึงเวลามันก็งอกใบขึ้นมางอกรากงอกใบไปหาอาหารมาปลุงอาหารแล้วเก็บอาหารไว้หัวหัวโตก่าเก่า อนุใสเหมือนกันถึงเวลาขึ้นมาปรุงเป็นกิเลสขึ้นมาทํางานอย่างเรามีปฏิคาอนุใสที่หงดหินพอมันที่งดหิดเนี่ยพอมันกลายเป็นโทตะโมโหตูมตามขึ้นมานี่นะมันก็จะเพาะนิสัยที่หงดหิดให้มากขึ้นนะนั้นอนุใสนั้นเราก็สร้างขึ้นมาเองด้วยความเคยชินจิตใจเคยชินที่จะโกรธก็โกรธเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่มาเคยบอกเด็กสา ว, าวเด็กสา ว, าวพวกเนี้ย บออย่าหัดขี่บ่นนะเริ่มต้นนหัดขี่บน่นพอเป็นยายแก่นี่เป็นยาแก่ปากปากร้ายที่สุดเพราะว่าสะสมความขี่บ่นตั้งแต่เด็กจนแก่มันสะสมได้ในเวลาที่เราจเจริญสติเนี่ยสมมติพอโทสะเกิดโทสะเกิดปุ๊บพอเรามีสติเนี่ยโทสะจะดับทันทีเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีกิเลสให้ละหรอก ทันทีที่เกิดสตินะกิเลสไม่มีแล้วเพราะงั้นไม่ต้องละกิเลสเพราะไม่มีกิเลสจะให้ละสิ่งที่ถูกลงไปคืออนุใสคือกิเลสตัวนี้ปรุงขึ้นมาแล้วทํางานไม่สําเร็จหาอาหารไปป้อนอนุใสไม่ได้อนุสัยตัวนี้ขาดทุนไปแนละ้วมันจะค่อยๆ อ, อ, อ่อนกําลังลงคล้ายๆเป็นหัวต้นไม้ใต้ดินค่อยๆฟอกไปขึ้นมาหากินไม่ได้ งันเวลาเรามีสติเราจเจริญสติเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อละกิเลสเพราะไม่มีกิเลสจะให้ละ <Yeah. S 1> กิเลสเกิดตอนไม่มีสติอ่ะคนนี้ว่างไงเนี่ย <Yeah. S 1> มาอาจารย์สุพจน์เหรอ <Yeah. S 1> เคยมาแล้วนี่จำหน้าได้ <Yeah. S 1> ยั่งเหรอ <Yeah. S 1> อ๋อแสดงว่าหน้าโหล่อเคยฝึกไหมเนาะเนาะ ก่อนจะเพียร น, นะต้องทำให้ถูกก่อนคือก่อนจะขยันนะต้องตั้งเป้าให้ถูกทิศทางก่อนถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะปฏิบัติยังไงอย่าเพิ่งขยันนะยังไม่รู้ว่าเชียงใหม่อยู่ทางไหนอย่าเพิ่งรีบเดินนะเราต้องรู้ว่าการปฏิบัติเนี่ยเราจะมุ่งเรียนรู้ตัวเองวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติคือพ้นทุกข์ ทุกอยู่ที่กายกับทุกอยู่ที่ใจมีสองที่เท่านั้นทุกไม่อยู่กับโต๊ะอยู่กับเก้าอี้อะไรหรอกนี่พระเจ้าสอนเราให้รู้ทุกคือให้รู้กายรู้ใจกายเป็นตัวทุกใจเป็นตัวทุกให้รู้กายรู้ใจรู้ยังไง ร, รู้อย่างที่เขาเป็นไม่ใช่อย่างแทรกแต่งไม่เข้าไปแทรกแต่งรู้อย่างที่เขาเป็นเช่นร่างกายมันกระดุกกระดิกเนี่ยกระดุกกระดิกมันเลี้ยวซ้ายแลกว่านะเราก็แค่รู้เห็นไอ้ตัวนี้มันกระดุกกระดิกไปไม่ใช่เรากระดุกกระดิกหรอก จิตใจไม่เที่ยงจิตใจไปสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างค่อยตามรู้ไปตามดูถ้าเราดูเป็นแล้วต้องขยันแล้คราวเนี้ต้องดูเนืองเนืองดูยังไม่เป็นอย่าเพิ่งขยันนะถ้าคืนขยันจะเกิดสภาวะนี้นะสักพักหนึ่งยังไม่อยากยุ่งกับโลกเลยใครยังมายุ่งกับเราไปไปไปไคนนอกศาสนาเราจะปฏิบัติมีนะมีคนรู้จักคน หัวหน้ากองเรียกไปให้งานแม่ว่าหัวหน้ากองเลยคนใจบาปฉันจะปฏิบัติธรรมมาเรียกให้ทำงานบอกเธอไม่ไปปฏิบัติที่บ้านเธอนะเธอจะกินเงินเดือนเดี๋ยวเธอจะปฏิบัติธรรมจิตหน้าที่ไม่ได้นะต้องทำให้เป็นทำให้ถูกก่อนแล้วก็ค่อยขยันสัง เ, เกตไหมจิตใจตอนนี้สบายใจกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมเนี่ยหัดรู้สึกอย่างนี้นะใจตอนนี้มันสบายกว่าเมื่อกี้ มันโลง่ลงๆขึ้นมะาะเริ่มอึดอัดนิดๆ น, นะดูออกไหมเริ่มคืดๆขึ้นมาลนะดูออกไหมรู้ลงไปตีลักษณะตีละขณะนะคื อ, ยอยคือมันแล้วแต่ภาษานะบางคนก็ว่าดูบางคนก็ว่ารู้บางคนก็ ร, คนครู้สึกเนาะสังเกตนี่บางทีเบ้อเบไปหนะ่อยหรือดูบางทีก็จงใจดูก็ไม่ได้นะจงใจรู้ก็ไม่ได้จงใจสังเกตก็ไม่ได้ แท้จริงก็คือรู้สึกรู้สึกเอาแค่รู้สึกเอาเช่นความโกรธมันเกิดขึ้นรู้สึกว่ามันโกรธแล้วนะรู้สึกแล้วว่าจิตวิ่งไปทางตารู้สึกแล้วว่ามันหนีไปคิดแค่รู้สึกรู้สึกเอามีปรัชนางแค่รู้สึกเอาก็ไม่ได้จงใจพอทิศเมื่อไงพ่อทิศเหนือเสดายสึกแล้วอ่ะดีนะดีที่รู้นะไม่ใช่ดีที่ติดดีที่รู้นะเพ่งรู้ว่าเพ่ง พอจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดเยังรู้จักเผลอหรือยังเผลอรู้จักเผลอรู้จักเพ่งทางสายกลางก็คือมันไม่เผลอไม่เพ่งนี่แหละแต่ว่าทางไากลางทําขึ้นมาไม่ได้ทําขึ้นไม่ได้ใครมาหลายๆทีช่วงหลังๆจะได้ยินหลวงพ่อชอบพูดคนอีสานเขสอนกันอยากทําได้ถามหญิงต่ำบุกอยากทําถูกถามเด็กเลี้ยงควาย คนหลายคนกินน้ําบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันอยากทําได้ถามหญิงต่าหูผู้หญิงทอผ้าไม่ใช่สาวชันทนาในโรงงานนะผู้หญิงทอผ้าแบบโบราณนะหมายถึงว่าไงอยากทําได้ก็คือรู้อยู่เฉพาะหน้าะผู้หญิงทอผ้าเขารู้อยู่เฉพาะหน้าเขาทาซ้ำๆๆหนึ่งที่คุณกบบ่นเมื่อเช้าอ่ะเขาไม่เห็นมันก้าวหน้าเลยใช่ไหมคนทอผ้าเนี้ยนะมันไม่ยกฟืมนีม้ยกผ้านี้เลื่อนที่ไปไหนของอยู่ที่เดิมนั่นแหละ แต่รู้ซ้ำซ้ำซ้ำร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งยังเกิดความเข้าใจรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดว่าจะรู้ยังไงจะทํำยังไงนะไม่ต้องคิดเขาเลยสอนต่อบอกอยากทาถูกถามเด็กเลี้ยงวายถ้าเราอยากปฏิบัติคุณจะในไปถามเด็กเลี้ยงวายว่าจะเริ่สติยังไงถูกต้องมันบอกไม่รู้ไม่รู้นั้นถูกแล้วเพราะไม่มีหรอกให้รู้ตรงที่ผิดเจอแล้วลมันถูกเอง อย่างิตของเราผิดก็คือจิตเราเผลอไปรู้ว่าเผลอปุ๊บนะมันก็ตื่นขึ้นมาเองรู้ว่าเพ่งไว้ไม่หายเพ่งะแต่เผลอไปเนี่อรู้ว่าเผลอนะจะหายเผลอ ท, ทันทีแต่เพ่งเนี่ไม่หายเพราะเพ่งเนี่ยบางทีมันไม่ใช่อคูสนเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมใจเรามันน้อมเข้าหาสมถะมันไม่ใช่อคูสนมันบางทีไม่หายให้รู้ทันจิตลงไปอีกชั้นหนึ่งจิตอยากเลิกเพ่งพอรู้ทันว่าจิตอยากเลิกเพ่งนะ ความยาดับปั๊บการเพ่งจะดับไปด้วยให้รู้ทันก็มาให้ถึงจิตเราความปรุงแต่งของจิตก็จะดับการเพ่งก็เป็นความปรุงแต่งอันหนึ่งของจิตอ่ะข้างหลังนะ่ะเสื้อเหลืองน่ะมาบ่อยๆนะเป็นไงคอยคอยรู้ทันใจเราไว้เรื่อยๆนะแต่เราแต่ละวันไม่เหมือนกันคุณดูออกไหมเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคอยรู้เรื่อยๆ เอาว่าไงเมื่อกี้บอกว่าคําถามเดียวนี่สองคำถามแนละ้ว <c oughs> คืออย่าสนใจว่าตรงไหนที่ถูกตรงไหนกลางไม่ต้องสนใจให้รู้ตรงที่ไม่กลางน่ะแล้วมันกลางองมันเองนะเช่นกิเลสเกิดขึ้นมาใจไม่เป็นกลางฉะโทตะเกิดนะความไม่เป็นกลางก็มีสองงาน ว่ากลางมีอันเดียวไม่เป็นกลางอันแรกก็คือพอโทสะเกิดก็คล้อยตามมันไปไปดา่าเขาไปตีเขาเลยนะหรืออันที่สองพอโทสะเกิดต่อต้านโทสะถ้าไม่คล้อยตามก็ต่อต้านนะก็เนี่ยจิตไม่เป็นกลางให้รู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางแล้วเขเป็นกลางเองให้รู้ที่ผิดนะแล้วมันถูกเองนะให้รู้ทางที่สุดโต่แล้วมันเป็นกลางเอง เอายมหลวยบ้างไงยมหลวยวันนี้จิตเป็นยังไงวันเนี้ยจิตดีหรือจิตชื่อชื้อจิตเป็นอะไรไม่ฟุ้งซ่านแต่ซึมซึอ่ะรู้ไหมซึมซึมไม่ดีนะซึมซึมไม่ใช่จิตที่ดีรู้สึกไหมวันนี้มันซึมซึมเออซึมซึมไม่ดีนะซึมซึมเป็นกิเลส อย่าซึมนะซึมเป็นชื่อของส้วมอ้อเป็นไงอ้ออ้อพิราศีมีเนี่ยอืมอืมหลวงพ่อเวลาพูดพูดบางทีหลวงพ่อต้องพูดให้ตลกนิดนึงเพพวกเราชอบหลับเวลาฟังธรรมะมันเป็หลับ ฟังแล้วมีความสงบนะยิ่งพวกตอนค่ำๆนะเปิดเทปครูบาจารย์ฟังไปแล้วแม่พอเทปหมดแล้วก็ถอยออกมาปิดเครื่องวันนี้จิตสงบถัลับมาตั้งชั่วโมงนี่ิดขี้โมะนะเรียนธรรมะนะอย่าทำให้จิตซึมๆนะจิตเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราคอยรู้ไปดูหัดตั้งแต่ตรงนี้ ออกไปอยู่กับโลกข้างนอกเอา ก, กระทบอารมณ์ปุ๊บจิตเราก็จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปงแลงเราก็จะได้คอยรู้ไปการปฏิบัติต้องทำให้ได้ในชีวิตประจำวันถ้าทำไม่ได้ไม่ได้กินหรอกเพราะกิเลสเอาไปกินหมดออเห็นไหมเมื่อกี้บอกว่าจิตดีตอนนี้ยอมรับแล้วว่าสื่นคุณศักดิ์ล่ะคุณศักดิ์เป็นไงวันนี้ตื่นดีไหม ดีวันนี้คนสักดีตื่นเ้าว่าเ้าเป็นลมไปแล้วอ่ะรีบทายาดมเลยดีเขาเขามาเดียนได้ทุกวันเนี่ยดีแล้วงั้นใจอจะถูกโลกลากไปเรื่อยๆนะเห็นคนก็มาบอกว่าเป็นหัวหน้าวงกระแช่ไม่ได้เป็นนหรเห็นไหมเพื่อนกินหาง่ายเห็นไหมเ้า พอถึงคราวเราจะตายเนี่ยทุกคนโบกมือบอกไม่เกี่ยวใชเนี่ย <c oughs> เพื่อนเพื่อนตายหายากเวลาชวนกันกินนะมีคนกินด้วยนะเจ้าไปดูนะเก้าดีขึ้นเยอะแล้วละ่ะรู้สึกไหมใจมันตื่นใจมันโลกนะค่อยๆเรียนไปธรรมะไม่ได้ยากอะไรอาคุณที่นั่งพิงตู้นะั้นน่ะเป็นไงไฝังวิทญาณไว้ในใจครับให้ติดตลอดอืมอืม ดูไปเรื่อยๆนะเราใช้ความคิดตลอดเลยเราดูไปนะใช้สติกับใช้ความคิดจะต่างกันสติจะระลึกรู้เช่นใจเราแอบไปคิดปุ๊บเรารู้เลยธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดธรรมะเรียนได้ด้วยการมีสติ เออดีดีลงบันไดนะคะลงบันไดนะไม่มีรบันไดเราต้องลงลงเออพอลงวเวลาเราลงไปก็จะบ้านแล้วมันก็เ่อนะเออขยันดูนะเากลับ้าบ้านมาเริ่มิบัติเราอยาก้าบ้านปฏิบัติใหม่อย่างนี้ค่ะอย่างนี้คจะอยู่บ้านมากๆปฏิบัติไต่อแกับ อย่างนี้มีมีอกาสได้อยู่บ้านทั้งวันได้ยิดีวาดใจตัวเองเหมือนกันทำไมโนหนะอย่างเงี้ยน่าเสียดายอ่าน่าเสียดายนะเสียดายเวลาเราเราหลุขึ้นมาแล้วก็หลุดได้ตามอาจารย์บอกนะคะเสียดายนะแบบนี้นะเสียดายรู้ว่าเสียดายเลยทอะไรไม่ถงสิบสองนั่น่งน้อันนั้นจิดละนะถ้าเสียดายรู้ว่าเสียดายไม่คิดต่อ อนองั <ừ> ้นก็อย่าออกนอกบ้าน